ก็เราก็รู้กีแ็นโบสถ์เขาทำพักรรมใ่ไหมทหันไปที่พอยู่ก็ีหันทีหาว่าเนี่ยเขาี่ที่กุตรก็ตายใหาทหหลังแรกแรก็ขาถกทกระท่อหลักโรงจีเนีกยก็เป็เรื่องที่หัน ถ้าเจ้าเป็นที่หอดูเจ้าก็้องมาดูหมอา่ก็ไปเยอะคุณนถามวผมก็เป็นกองอะไรผมก็บอกว่ากมบไปเหเจ้าองไเจ้า ก็ถามตรงเรามีตรงอยู่ไม้ใช่คำวันที่สองก็ไปไปประาด้านกราผมก็ไม่่อจะตัดสินว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่านี้จะตัดสินได้ตัดได้แต่ไม่ควรตัดก็ไปดูตัวอย่างในอิอรนระพบาอังโละที่ปรุพ เอโกาา้ก็เพศมาไล้ะะตไนักเตะลูกหลาตาท่านอังวลาเทศประบุท่านทำบุญนอกพุทธศาสนาตร้งโรงทานแปดสิบโรงให้เวลาเลี้ยงคนกระทั่งเตืระวันแบบนี้สองหมือนปีใช่ไหมการแจกความมีคนไม่เสรจหเทวดาบนธรรมชาตาวดีเป็นทวด า, ววดาวที่ีคนน้อยที่สุด เทวายทั้งหลั้งน้จการที่หมดวายทระงนั้ายทั้งนีโยตายจะความในคนิคน่เดืดร้ราสมารถทาวจมีดามีอารมณ์ทาภาพมากสไเลยไม่เสี่ยงเพราะจะเกาดมาพรเจ้าทรงประกาศปรการทบุญในเศษชุดไหนก็นอกเศษชุดั้นในโุขการต่าง่าลยวาย่าต่างต่ เข้าไปแล้วเสี่ยเสี่ยไปได้เบาหน่อยแต่ไม่ว่าไปดูไม่ได้นะเพราะอะนรอันแรกความนะว่าดูไม่ดูไม่ต้องต้องดูก็ไม่ตองดูแต่ก็ถ้าไม่เสี่ยเป็นยังงี้ก็ไม่ควรเสี่ยตั้งารคนการที่จะดีใช่ไหมอ่าอีกข้อหมาล์วันศุกร์้มีคนมาถามผมเห็นป่ายไว้เขาบว่า ผกว่าค<S 々>ุณพ่อคือสีใจสีที่พ่อเลยนะเขาบอกว่าเอ๊ะท่าเวลาท่านทักตรงนี้คุณภาษาไทยเอ๊ะสีสีไม่ไม่รอาษาอังกฤษเลยเพราะท่านเองเรา่าเขา้อง่ใส่ใ้วที่เหล อัไรก็ะถนัดเรื่องเจ้าแต่ว่าชอบตบใบฝ่าหูแค่นอันนี้ข้อกพรายคือว่าพระภาตที่หลวงพ่อมาแต่ทุกวันนี้เป็นของพระมุสลเจ้าทั้งหมดหรือหรือมีของพระอักษรสาวกคนด้วยใช่ใช่เชื่พระมุสลิาได้ที่ชาติแล้วพระมุสลิมเจ้าเพราะว่าสาวกนี่ต้นโต เ่เจ้าเล็กกว่าอยาวโตก็เท่าเมื่อส่วนสง่าที่เมื่อสาวกต้องโตว่านั้นเรื่องลักของพระรูปพที่กระายต่างะลงไปเกี่ยวกับฐานอย่าแพรอรหัสใจะต e ้องการในพระธาตกระจายกดพระาฐานรูปล่าลักษณะพาตของทระนบารมีให้กับ่อยตามเรื่องนี้กันเราไต่อไปทอนต่อไป ก็แค่เรื่องตั้งใจจะทำเต็มที่เรื่องให้เต็มที่เลยนะตั้งใจจะเป็มทีเลยอ๋อครับเดวก็อาจะหาความรแล้วก็จะผมให้ก็ต่อได้เลยฮะโอ้พี่พ่อเห็นว่าขณะนี้ทางวัดกำรังต่อสร้างอะไรบ้างและขาดอะไรบ้าง เยอะเลยสิ่งที่หนักใจก็ไมาก่อสร้างในเวลานี้ก็เป็นสุขที่สำหรับคนพักคนเกเรินรรมฐานเลยีห้องน้ำกลางตลาดคนเกเรินกรรมฐานพักประมาณจำนมน300ห้องและก็สิ่งที่หนักใจมากคือว่าต้องส้างศาราใหม่เขาไม่พอกำหรับ ให้ยำหลดให้เฉพาะดงอาใครเขาลายจริงที่ส่งได้ถ้มีชานอะหนักใจมากกว่านเป็นหลายร้านนะอ๋อแลวมองดูองดูร้านเลยตอายกเหมือนกัน้าไม่เยเขาาม่พลาดมีมีเสือร้าน และแล้วก็ยังห้องแต่ละห้องคืออะไรเจ้าภาพจะเพิ่มอะไรนี่มีมีราคาจำนวนจังจะเพิ่มนี่เรทุกเลยทุกจะเจ้าภาพให้ให้จะภาพผู้เป็นเจ้าของห้องบริจาคตั้งห้องละห้าหมื่นแล้วีนการบริกาคที่เรียกว่าจะบริการเพี่งเดียวห้าหมื่นนี่แกงก็จะถูกผักแล้วที่วานผ่อนได้หรือเปล่าบริจาคเขายังไม่ถูกผักแล้ว่อนยังถูกผั ก็นเขาพอนรงเยอะก็เป็นไรเพราะว่าเป็ะนั้นก็ก็ทานเพื่อความอยู่มีวได้อันนี้ไม่หามเฉพาะจะสัตยาชว่ากาลังทางเงินเน่ยไม่แน่นอนะถูกไห ม, ม, ม, ม, มแต่แ ต, ต่วจวลาสัตยาถาว่ามีให้ทีเดียวก็รับไม่มีมากกว่าคนก็รับไปยังไงก็ต้องใ้ยอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่เฉพาะเรื่องอะไร สพื่อนคนที่กระทำไม่ดีแต่พอจาถึงขนาดนั้นศีลบาตรที่ศีลบาตรก็รับแล้วไงแาะว่าถ้าทำน้อยกว่าที่กาหนดไม่ว่าคุณอะไรหมดแกไมรับที่ว่าจะมีกำหนดในการทำบุญใครทาบุญต่ำกว่าหนึ่งศัตรูนี่ไม่รับ ก็เงินเะือนตำสลึม ไ, ไม่ไดีอเปายไม่ใช่สล็งเพราอหาได้ตำับหนึ่สงนไม่ได้พอฮ่าฮ่าฮ่ากคุารได้ประโยชน์มากใช่ไปเงิน่อนบัตรมาใช่ใช่เอ้ยถ้าเก็ดจะไปทุกวาง คิดเราเ่ียกไปทางานจ้ะเรื่องพ่อไม่ใครก็ไม่รู้เรื่องอ้ออกชื่อนะเหมมันจะออกช่วงนี้ปงเงินจ่ายก่อนจะเลยก็ยืนไม่ต่อไม่เป็นไรคิดเราเรียกไปทำงานกันต่อใส่ได้จะเป็นไรไปแล้วก็มาไสของเคยเวาไปใช่ใช่ไม่ีีผมแค่นำเข้ไปเป็นราวถึงผมยังไงผมบกว่า มันจะใส่บาแมันกะบอกว่าขอถวารทสังฆทานนั่งใสคนยี่บ้านที่นั่นโยด้วยเวลาจะใส่บาทถ้าจะใส่วาสุจบแล้วก็ใส่อันนี้ต่อไปผลขึ้นเงินจะไม่ขาดบ้านพอต้องมาหาคนใช่ใช่คนไหนก่อนไปต้องหาพ่อใกล้หลวงพอะไร ต่อเป็นพระใช้ยาวิระปัญโยเพราะเป็นคนไรต่อวิริปัญโยะโค้แล้วลมหายก็แสบผูประมาศีกีรังันหายสาบสูแสส่งสิ่ง้าแล้วเ้วกรเลยแสาต่ตามาหมอเรื่อง ตาไม่ประมาณต้าแต่เวลบาีเราไม่ถึงต้องมาติดตาเราตลอดเจ็ดนี้เนียเนเจ็ดไม่มีตารเลยตาเราพิจน์ที่ตาเดียวว่าตาเหรอตาต้งต่อขึ้นมาตาจะเฉียนใส่ดีกว่าตาเดิมานีสงสัยวที่ดวตา่าใช่ อ, อ, อ, อ, อันนาเาตายหมดตอนเรายัไม่ไตายตอเป็นไปเรามันมันอกอันนี้ขาจะเป็นขาพิษใช่เปล้วตอนนันมัออกไปฆ่าเรามองอะไรยืนเหมือนกันหมดตอนนี้ขาจะตายหมดหมด ย่อยอารนอาเรนายแม่ไปได้หมดแล้วอาเรนอาเรนเรื่องใหญวเลยเวราะเกิดมีาเิโยมาจะไปบริจาคก็ไม่ลเราพระองคเาไมเสร็จเขาก็คงจะพักหน้ากำลังทำสิ่งยากให้เขาถ้าเขาไม่พักก็ไม่หานพี่จปพักหน้าสาธขอั้งลูกนั่น เลยเป็นาค่หน้าตาแจ้วและตาชิดเลยคุณชิเกิต่อจากลูกตาไปก็หมายความ่าทำขร้นในจำไว้ว่า้าสั้าๆเอาร่างกายจะให้โดนตาซึ่งก็โ pues ูกหลานก็ไม่สบายใจเพราะว่าถ้าไม่โงนตาแล้วพ่อไมุ่้นที่จะเจาะไม่เน้ก็อนจริง้าฉันเป็นลูกหลานที่ดีใจมากไม่ต้องเรียนทำศพก็มีผลเท่ากันเล้น ตายลงไปพวกไอ้จ uh ิตเนี่ยมันก็ฟังทางพันภาคฟังปวดขึ่นตังนีแหละมันไม่อยู่หรอกมันมันต้องไม่มันนั่งหัวใจจบไอ้ที่ว่าท่านหัวใจจบจะไอ่หยุไม่เคยตายมาหลายครันงรู้นนเป็นเวลาที่มันออกไปได้จริงจริงมันไม่หัวร่างเลยใชไม่เคยหัวร่างกายก็มองดูไอ้การกายไม่ได้กายมันลำบุญแลวไม่สนใจเลยแถมร่างจียด้วย อันนี้เวลาไปไม่ได้กลจัดยัดเข้ามาใหม่นะใช่ตอนมันต้องตายไปใช่ไหายไป้จุดที่ออกก็เป็นตายเป็นด่างนี่แนนขาเรื่อยๆตัเหมือนตายแต่ว่ามันดีกว่าตอนร่างกายมันร่างกายเนือถูกไหมอ่านี่ก็ส่งผลก็เป็นการให้ปวดไอ้ที่ออกออกมันจค่อยๆตายก่อนเมื่อปวดอยู่เพราะบาอยู่ผิดแล้วก็เป็นตาย ออกมาแล้วพมันก็เป็นรงกระถางพุ่มพรมเนื้อเป็นแก้วึือระดับประดาเฉยน้มตัวเบาตัวน้าหนักเลยใช่ไหมสีสีมันสขาวแดงลาวงใสใสใจกำลังผู้ชายได้เชื่อมระดับระดับกายหรือเข้าเข้ารือสุดลงผ้าขึ้นมันเป็นอได้ระดับเป็นแก้วสวยมากนี่ก็เรามองร่างกายเสมบูรณ์้แว่า ก็ไม่สนใจเลยแล้วก็จะทำ ก, การสามว่าเสียดายไห้ความ้สึกเสียดาก็ไม่เลยเพราะเรากกันได้ใช่หมใไม่้อยาามร่างกายจะเผาแล้วไม่เผาแล้ว ไ, ไม่จำเป็นไม่ต้องมีตก ล, ลตงร่างกายจิตใจไปตามข้อของมันเลยหแต่ว่าใคายันไม่รู้หลังที่ม่ยุ่เลยทำไปให้เลยใชปุ๊บเราก็ยกไปโดมันจะไมาสมบูรณ์เลมีมโนตาพมาดีกว่าดีขึ ต่อไปบ้านน้อยหน่อยถ้าก็ต้องหาสิงใหม่สวต่อเนานะฮะิงกอตายเรื่องผ่อนผอนี้ได้ทาาวว่าอวันหลอกระจบุรหาลาที่ใครผอนไปคนแล้วก็กลับมาได้ก่าวตาวที่สุดแล้ใช่หมเขาไม่ได้อนนอนใต้ตเขาไม่ได้สอนให้ตายตายมันไม่ไม่ไม่เป็นวา ค <c oughs> งจะเพื่อนขาดหนาไม่ติาใจ้ค <c oughs> ่กาไมร้นขารับเขารับตกจากไม้แค่ตายสบายเพื่อน้อนข้างข้าไม่รู้เพื่นนอ น, นตายคือ <c oughs> ไม่มีไม่มีาการรู้เรายองการต า, ตายขอใครหรอก ทราบอาจารย์น้ำมันเขาเท่าดีเลยเขาเยอะเลยเลยเขาขึ้น่ไ่ดตอนเลง้ยงไส้ึ่งาไม่บอกของพ่อทราปท่านพอรีบไปท่านบอกแต่ละก็ไปยื่นจะหลอกเพื่อคนแล้วก็ไปถามอาจารยวาคุณู่ามู่น้ำติดใจรับท่านก็ไม่ตายก็ทำให้ตายก็ไม่มีเลยครับลูกมันดีกว่าจะจะไม่ดีเลยถ้าดูเข้ากันก็ไม่ยอมดีไมกัน ไม่มาตอบไปผมบอกคนก็ถามเลยไม่มาตยมีคนก็มาบอกถามมาบอกว่าถ้าหนก็สิทธิ์็ปหลงแบบโอ้โหนี่จ้ะไอิ์หลงแล้วไม่มีอ่ะไม่ตอบปคนบอกให้เดือดรุนแบบนี้กลัวไปแล้วไม่กลับไหมเรากลัวไปไม่ได้อย่างเดียวมกลับบ้านมาได้ง่ายเป็นิทธิ 他셋啦那第三次那團賞我的部分紅髮那娘어디來這彎我父母 mala 也沒 Save mine 's me küçük év os 他拉得還有沒有張你妹妹 บางบางราวเลยถอหน้าโหรอเข้าแล้วก็ถอนออกราว่าถอเข้าหมายว่าเครืงกระวจนถอนาเ่อยๆันสเลาื่อเลื่องมสบๆถอนถอนแวไปเข้าใัว้ือ่าข้มากละาสองจังหวัดจัล็อแต่ละต้นไมนหรือทาจากนร นี่อะวันก็แล้วราตุลากพระสว่นเนี่ยแต่ละคนเวลาเห็นตามต่างชตามันไปเรืยกันหรือไม่เห็คนมุมก็เหมือนกันแล้ไม่แน่อาจจะแตกต่างกันที่ร้สึถ้าจิตกอาจเท่ากันเห็นเหมือนกันแน่นอนถ้าจิตกอาไม่เท่ากันก็เไม่เหมือนกันให้วอย่างใชไ ก็ยางพักอยู่รามันีทั้งขึ้นไปเห็นเพื่อว่าไว้ก็จะดีปูนบนขาอีกอยากมากต่อมาวันหลังขึ้นไปอีกแป้กลายเป็นตรงคำไปแล้วแล้วต่อมาวันหลังขึ้นอีกแป้งจะแช่เดตอดกราถ้าเป็นแกเดือดกระจานรสแน่นอ น, อน ท, ทั้นไย่ีิธเราที่เราอยากเราได้เห็นใช่ไหถ้าเรา ล, ละในบอลได้ดี นี่นี่แบบเป็นงานยานก็งานศิลปจะอาจจะเ็นภาพตามความคิถ้ายังอยากอยู่กเห็ต่างไปได้นี่แหละต่างนานแค่บุตรที้เกิดของที่ด้แต่าต่ชีวิตไมเองมันเรามายึถือดาถอนิต่อากว่าตายเหมือนกันหรือไม่นี่มโนยุทธิ์นี่จะทำได้แค่ตัิที่เปยนสับ ไ ม, ไม่รู้ทำไมสุ่ยทำไมเสียดายกันไหมเสียดาแล้วที่หวงพอต้องยานะในเรื่องการต้องตั้งาลาลั้งหมดไม่รู้เ่องอไรลยไม่เวลาที่จะไปเราทำยังไง 你那干嘛？干嘛干嘛呀？那嘛，干部都忙的很。但是呢，那人家干部呢，那那那，那那那，那那那，那那那，那那那，那那那，那那那，那那 ถ้าตอที่เห็นยิ้มพอถ้าตอที่ไม่เห็นก็สมุนไพรหน้ามีเท่าน้นนะครับถ้ามีปัญหาความยดีย่นไม่เป็นไรสมุนไพรหมดคุนยังวอพๆขอไม่ปวดนี้ที่บอว่าถ้าอายุไมครบยี่สิบสี่อนดูถ้าปวดไปแล้วจากไม่ได้นี่ส่งนั่นส่งนี่ไม่ทำไมถามก็พุทธเจ้าดูใช่แล สารลับเรื่อการบุษฎีข้าววาไม่จริงไม่จริงไม่เป็นพระจริงการไม่ไงลงทุนก็เยอะทางคนที่รกาลงทุนก็ลงไปแล้วทำมาที่เสร็จแล้วเข้าเนยเข้าเนยก็ังดีแหละแล้วก็เกิดเกไม่รู้เรื่องป็นขันก็รกไปลงมือโบสดไปทำารรกรรมอะไรอะไรก็ก็มาแต่ไม่รู้เรื่องเลยเน่หนัมาก จเินไม่ได้หน่อยใช่ใชเกนเึนบางีก็ใช่าือะกกาเอองคนเไรวันเดียวัวดต่าอย่าปอีหนหีราชการทหารมา แล้วมานจะรับอนุญาตจากผู้บัญชาเวลาหวดจะเป็นฟ้าหรือไม่ข้าวขาไม่รู้เป็นฟ้าเปี่าสีสีแล้วาการเหนื่อยลเออถ้ารักเขารักษาสิขาปวดเขาเพื่อให้เราเป็นฟ้าเอนะระวังผุบัญาโนจับอเอีผู้บัญาหนักหน่อย แต่ว่าถามันแรกโท่คนลานแล้วอะไรสินะตนนี้ใช่ไม่เป็นเาที่ก็ไม่รู้ถามอะไรว่ามันทั้งหรือไอ้คนถามก็ไม่รู้ไม่รู้ตอใช่เลยโอ้หคุณทายหน้ที่เ็ตที่กลางมาร้พกรอบอกาน บอกไม่ีแต่ว่านีไรคถังต้ถไปแล้วดกไปดีไมันรู้สไม่ยป็เยอ่ที่อวเจอาย์ว่าเ เฝ้าเฝ้าแล้วมาตลกตลกทุกเรอาหน้ป็วกหลกทุนเปรี้ยกอนะอมีอรสาเรามา้เากอลหกอล์ฟกอล์กอล์ฟกอล์ฟกออลกออกอออฟ์อ์กฟ์ นอนสิฉันบอกว่าไม่นอนเลยมันนอนหน่อยสักท่านัตติคงไปถามนอนหน่อยเดียวนอนนอนหน่อยสักเต้บวบๆทีนี้ก็ต้องถามนี่เครับบางทส่วนมากก็คนจีนเี่บวคนมองจีนเนถามท่ เว่าว <e ่าไงไม่ว่ายังไงไม่เคยบ่เลยูิ้าว้าอนจะเจอทีแล้วใั้สบายพไปผมอาโบราณกลสาผมแลเจ้าสาว อาว่าต่อไปผมโลมาขนขอที่อยมาใจต่อไปก็จาหอเปิดไล้ต่อไปละขาละขาไปวันนี้แกก็บอกโอ้ละขาเจ็บเป็นเจ็ขนาน้นเหอน่กวก็บาชชูใช่เนี่ย แล้วก็ต่อไปก็ท่านตาฟันนะท่านตาปานโอ้ตาแก่ตาเอ้ยที่จริงแต่ต <c oughs> า <c oughs> ีอนี้เเรเป็นเียมายเวลาแล้วบพ่อนะมดเลยมาอลแล้วมาแล้วหักม่บนแล้วเจอแนี่ก็ยุ่งเรื่องบอลยอะไปมเอกีบอลนเอาตเดือนน้าสรุปความว่าเดืนนีงผมก็ได้รัง؛สัมเจคน ประธานแท่งสามอเดี่ยวเดีวปานเปลี่ย่าแล้วเดียว่ระธานเปนก็ค ac ือว่าแนะนาคนแล้วก็มาทํประธานแ่ของเดนหน้าถึ่ทำนะแล้วก็เป็นท้ายรายการของปาสีนครับก็เราเปนจะจัดการเพาไม่เป็นไรเลยแหละเออมากหนึ่งงายกตง ตาคนดีล่ะฉันคุยคนเดียวม่นุยแบบนี้ได้ไหมคุยบ้างมานั่งหน้า ข, ข, ข้างๆพี่เขาเขาเข้าซีหน่อ ย, ยเออเห็นน้าเห็นตาไอ้ถามคนข้างมันนี่หาคนาข้างนี่อะไรมาเยอะ พกาก็มีของเรามีงานแรกคืงานฝังรือพ่อไปได้เ้ิ่มเติมเปล่าไม่มาเลยฝังไม่นี่เรพ่อฝังอ่ะม่นจฝังหรองานก็ขาขาฝังไท่อ๋อไลเข้าไปเขจมจมได้ก็ฝังไทยมกรึไงเอาเพื่อนไังกันว่า ลาเทชเหตุย่อไอ้สิน่รสินย่อราถามก็เลยต้องยอยอถามราตอบก็ต่อง่อตอบพีเย่อถามว่าได้เฉพาะลูกศิษย์ลูกหาที่พ่อไปได้ยอดทั้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าพ่อลูกศิษย์ลูกหาที่ไปเพิ่มทีหลังจากแสนแสนที่รับไปในคราบได้แสดหมื่กว่าเพราะนเราได้ทั้งหมดเป็นแสนแปดหมื่นเ ใครมาบ้านหลังสมเด็คุยกขาใหญ่เราไปนั่งไกลลงก็ได้อยู่ใกล้ๆสมระหมใครมาหลอกติดมาเราไม่ไ้เขสองคนติดตัมาเขาไม่ช่วยแต่เกิดต้องแสงใครมาชีวิตเกิมาเข้ามาต้องแสงเหมือนเราอบรู้เลยมีกวามจริงเนี่ยคนเนียตนนี้เอ้ปีหน้ากำแพงแก้วอลยกำแพแก้วแก้วไปมากเลอะน่ใช่กำแพงแก้ว คนกต้องทำลงไปแทแก่เลยนะให้เราคุยฟังว่าเพื่อนท่านนั้ที่ไม่ได้เป็นสมเด็จสมเด็จําเป็นต้องมีองใช่ไหมครับถ้าเพื่อนท่านบาทีเขาไม่ได้เป็นสมเด็จก็เขียนไปจดหมายไปว่าอ้สาเร็จวุ้ยโอ้โหุยฟังเลยไอ้ร้องจันอ้นี่มันจับเพื่อนเพื่อนทีนะไอ้สาเด็จว้ยมือบวมือเร้าสวยเี่กรแพ้มันต้องสวยกาลนะมืองิหนักใจเรกแพ้กันนะกระแพ้มด ไห้แก้วทั้งหลายความก็เพื่อนนเองก็จริงว่าท่านถ้าโบยอยู่ท่านก็ขนานั้นใชไหมใช่ท่ก็สำคัุ้มกาแพงไม่ติดใจถ้าบอกผมจะทาซุ้มกับซุ้มเนียน้าปวดถาว่าน่าอยู่สมัยน่าอยู่ถ้าม่น่ามันหลังก็ไม่ดีอก็ควรจะเป็นสองุ้มซุ้มหน้าุ้มหลังแต่ก็หลายทางเหนกันหลายทาง ทั้งขึ้นเป็นพันหลายหลายคนหน่อยแล้วก็เออตอนตอนที่สามบอกว่าอะหลวงพ่อครับสมเด็จที่มีปฏิปทาเปอย่างไรพะหลวงพ่อจะเล่ากบฎพระราจะากบฎีแล้วก็เลยขามตอนะเออเออตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่เดียวตอนนี้ก็ไม่ต่อนีกเลยครับเลยทัดเลยนะก็เครื่องที่นนแล้วต้องไปถามที่นนน กลางันะไว่างก็แงแก้วกัน็ต้องพอๆกันนะเออวันศีระทายเขาทดีแต่ว่าอย่าลืมว่าท่านเป็นพระราชาคณะกามีความจาเป็นต้องจิตอารมณ์ต้องจลีลาไอ้ที่ยามจิตต่อกระทานหรว่ารู้จักท่านมาตั้งเยาว์ คือมันเป็นพระไม่เก็บอะไรแล้วตัง้งแต่ยังลมเริ่มเป็นพระราชาแนะกคั้งแรกก็เป็นพระปฏิญาณใช่ไหมพระปฏิญาตัวคนยาะปฏิญาณตัองเลยนะท่านละมันตั้งแต่ตอนนั้นหรือว่าใช้งานแรกเงินตลอดมาไม่ใช่เงินซื้องานใช้งานแรกเลยหมายว่าเริ่มงานขึ้นมาก่อนแล้วก็มันจะได้ไม่ได้มันรู้ไปๆๆยังอบรมพระเนี่ยอบรมพระนี่ต้องใช้เลยมาก ว่าหารการบริโทษกับตุงเยอะอะไรต่รางๆอพกมากไม่มีคุณใช่ไหมารพบก็ <c oughs> ทำขึ้นมาคนภาคก็เลยไม่ช่วยท่านใช้รับที่แบบนี้เสมอแล้วคุณไปดูดีว่าท่ <c oughs> นานเป็นสมเร็จพระพุทธสุนทรมันพุทธสุนทรเขาคูบริการเที่ดีกว่าไม่เคยมีอะไรเลยครับเยอะของเยอะขอต้องขโมยไม่เป็อย่างไรขอสินค้าเล ถ้ามีถ้าไปพระจีรุ่ยหรือถ้าไปเวลาท้ายเข้าผ้าใหม่ี่าบครับอาวานี่ไปเราไม่มีใช้ต้องผ้าใหม่จะแช่ใจกันอยู่สันดกนี่เรียกสันดกไมครไม่ไม่ครับไม่โดนแก่แล้วโดดไม่ไหวอ๋อทนี้เสันย่องไปไปได้ไย่อมย่อยองย่อง ว่าเนี่ยใกล้ก well, we <ac ad Ale aya> ็ไม่รู้ว่าเป็ไ้ก็อมาออกมาก็เลยอุดเฉยไว้ก่อนอเป็นไแล้วก็ห่อยคอแล้วพอกอแล้ไม่พอใกล้ๆท่านซีทำบุญยุแต่ท่านเลยท่านเลยเก็บไว้ทีนีป็นถวายที่มีทานถายเพเห็นว่างานนี้งานใหญ่เป็นทารทำใหญ่ใช่ไหมก็ขอเจ้าขอที่ถวายไปที่อาติสงฆ์ท่านหนึ่งทางรำใหญ่ทาเลอัติงใหญ้ําใหญ่ตงั้ a